พระธรรมเทศนาจารดเรื่องดังนวนคำผูกติดแปดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยป่ออินสมชัยชมพูป ร, รียธรรมหกปรยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงาย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะตังสุตวะปนาเตวีโตมณัสสัมปตตาอะโหสิติ <iti> สาธาโวดุราะสะปุริจตั้งหลายตั้งยิ่งใจใหญ่้นยใจไฟห้อยตัย้งบุญอันจักหนุนสองอยู่ฮือได้อยู่เจอย้านแม่นมีการหนยใหญ่กาอละไว้เป็นหุน เป้าตนจมูกเข้ามาสู่อารามแปลงใจงามจมื่นย่อมือยืนฟังธรรมจุงดาจาติดต่อตามบาทคอบาลีว่าตังสตว่าปานาเทวีดังนี้เป็นต้นบัดนี้แดเตอ อางสุดตปาปนาเตวีส่วนนางเตวีนดใหญ่แม่นางนอไทยนวนคำใดยินคำปงขาดแห่งเต้าทีราชเนื้อหัวว่าจักยกตัวลูกเต้าแก่เต้าเจ้ามีทีลาก่อทารงโซกาไม่มา ตุกต้องปาดเลือลายเหตุเสียดายบอกแล้วยังลูกนอแก้วนวนคำจักใดผัวดําแก่เท่าอายุเต้าปิตามีกาญาสูใหญ่มีต้องไก่ปุ่มลามพอบองามสักกากหนังหิมพาคึกนาพอสองตาเลิกเลือด ตัวเป็นเบอร์เล่นลายหูายาวาลเขียวงงหูดังสง่งเรือคนซักยันมุนเข้าใส่ปอลาลไข้ตั้งตัว <c oughs> ปูนดีกวัวแต่โสดรอยยักโหดดงเย็นหรือผี่เห็นพายเพ็ถทาแหลงเป็ดีหลีนางเทวีแม่เจ้าหอนไม่เอาเรือลาย กันจะไปถ้าวาวยขับไว้ยังเต้าไทยพัวควันบ่อเฮือปันนางนาดเหยื่เต้าที่ราดเครื่องกาหฮือราจปุริสาพวกน้อยอันใจถอยจังไรจับอย่าไปคำคาหฮือความนาเป็นพีนางเตวีแม่ไทยตุกเอาไม่ปานไฟ น้ำตาไหลพ่อผู้กมนด้โยเหงาเศร้าก็มีฮันแล่นาส่วนนางทิ้งเล่าอ่อนน้อยคือนางยอดสอยดวนคำได้ยินคำเปิ้นกล่กาวว่าพี่บาพี่มะเสนา กบผาญต้นปอจักตั้งก่อมงกลยกยังตนน้อยนาทือเต้าที่ราชแดนไก่นางมีใจไววัน <c oughs> รอนร้อยปั่นเววาน้ำตายา่อไหลหลังตุกแกนกังเดือลายไขยว่ววายกะผากเป่าตกจากหอคำ จักไขกัมเกาวจี้บอกเจ้าปีเตรียมตนก่อตารุนห้าหาดเหนียวเอาดาบฟาดเมื่อม้อนจักขอวานกมเก่าต่อป่อเจ้าหอฟวางก็บ่อหันตังจักใดเหนียวปอไท้โกธาเฮเสนาพวกน้อยฟันขาดย่อยเป็นผี กึนจักนี่จากห้องก็บ่มีจองต่างใดนั่งดองไว้ยดใหญ่ตกเอาไม่นํานาใจเววาดันสอดกลัวได้รอดวันปลอยเป็นดังดอยลูกใหญ่จักตกใส่หัวอกน้ําตาตกน้อยหยาิอายไผราดเจ้าไต ไอ้คนในกล่มใจไอ้เต้าไทยนาดาเหตุผู้จักมารวมซ่อนอยู่ในบนพังกามไวัยาแก่เทาบ่ใจหนุ่มเนาเร่รำหาตีงำบ่ได้แม่นยหไงปันได้ก็บ่มีใจไฟเอือเข้าแนบเนื้อเฟือแฟง ใจบ่แป้งสักหยาติอายไภราชยิ่งใจนางกิ้งไผ่ยอดซอยตุกจังหอยติดวันก่ออภิวันกมเก่าไวหมูเจ้าเตวาดาว่าดุระเตวาดาเหยมวนหมูมอันตั้งอยู่กูพิบ้านจุงฟังสารข้าเก่าประวัติข่าวตามธรรม แม่นโบราณกรรมข้าน้อยบอตกถอยอยังมีอยู่ดงรีเถื่อนทองหรืออยู่ห้องเมืองใดบอว่าไก่หรือไก่ขอเตะป่าไทยคุณน่ารีบนำมาอย่าจ่าฮือหันต่อหน้าตันตากันว่าหาบ่อใด ขอเจแปทยทตั้งลายมีใจพายจากจองนำข้าน้องนิ่งนางจากหอกฟางภาสาดจากเต่าสุริญาราชใจหาน อย่าได้นานเนินจ้าขอมาช่วยคาเรีวว้นางใส่ใจนอไทยนบนอมไวเ้เทวาดารีร่ำจาก่าวจี้เป็นดังนี้ตั้งวันก็มีฮันและนางตั้วันทวนเจ็ดมารอต้าเจ้ายอดวิเตหราชก็้อคุณต่างต า, ามาแดแก่นใจดาแต่งไว้เร็วไว คือจางใจลายแหล่มาแก้วแพ่เตรียมอ่านรถเจียงคานอ่านรอยตั้งพวกน้อยโยธากับขุนกันขุนต่างตางแต่งแลว้วตาอตนแก้วผูมีก่อปานางเตวีอัคราชและนางน้อยนาทิดาทั้งพิมะเสนาลูกบาว ตั้งหมูเต้าเมืองไก่ขี่จังใจเผือแก้วพาดับงามแล้องางามลำดับตามน้อยใหญ่พร้อมทวนไข่จุคนนำรีปนอามาตพระจาราดยิงใจมีลวงลายมวนหมูออกไปสู่อุยญานคือส่วนดวงบานดอกไม้ อันแต่งไว้รอรากมีหันแลยนะกันว่าไปรอดแล้วในส่วนแก้ววิญญาณเต่าผู้บ้านวิเทหาราชกองอามาตเสนะ่า ตั้งพ่าจามวนหมู ม, มวนเล่นอยู่ตามใจของกินได้ดาว้มีพอม่อข่อยจูอันอันจีนป่ามันเข้าเล่าคนหนุ่มเทาหญิงใจสำรานลลยระรื่นสนุกจืนยินดีมะหอระพมีต่างๆตามไปอางใจหุม พ่องกอสุ่มลาบลาเล่าพ่องแอวเต่าไปมาจุมบุพพาดอกไม้มีบัไรเดือลายพ่องกอย้ายเป็นท้อยพ่องกอห้อยเยยย ป, อยอย ป, ป็นปวงในส่วนหลวงเจ้าฟ้าดอกกีอาบานงามมีลายลามหน่อยใหญ่มีพ่คอควายลายสี เอาแดงมีลายแลกันถ้าแผเอาใจแม่นคนใดมนเส้าใดมาเข้าส่วนหลวงตุกปันปวงจองหอยย่อมกาดก้อยกับหายจุมคนใจหนุ่มแก่พ่องแหววจะสาวพ่องก่อเป่าแม่ห้างพ่องก่ออังกำข้านเด็ดดวงบานดอกไม้ปักเสียบไว้เก้าผม ห้องกอจมดอกซอยไขย่เกาทอยอุปมาว่าดอกนี่นะหอมแต่หากบอกแย่อายนางดอกหูจังหิวแหงกันทะแสงนี่หายปั่นดังอายดังน้องหอมตัวห้องคืนวันเป็นนีรันคำเจ้าหอมรอดเข้าถึงใจ เขาจกใครไลายซ้ำมีความพ่ำนานาพ้องก็จะาสอนบอกตามดังออกในทำว่าจุงจักจำจื้อไว้ตั้งแต่ไทยสอนมาว่าดวงบุพภามากเต้าเมื่อยา่มเจ้าบ้านงามถึงเมื่อยา่มแดดฟาดย่อมเหี่ยวมัดมองสี กันทามีจะจนก็หายพอนไก่กาลล่นลงมาถ่มเก้าขอนีล่าสันไดอุบ ป, ป้าไม่เพียบไปือหากใดนิ่งใจรวบขิงภายแต่เล่าย่ำลมเ่าเร่ราร่าถึงเมื่อนิ่เท่าแก่เปียทิแผ่ในตัวหูตามวัวบาแจง้ง เนื้อเหี่ยวแห้งดังยานแล้วดับสังขารบ่จ่าตอดเนื้อนาพัทวีคนโลกีโลกใต้บ่เว้นไว้คนใดกวรใส่ใจคำเจ้าเอาตัวเขาต่างบุญอันจักหนุนส่งยู่ใดขึ้นสู่สวรรค์เขาปะกันกล่าวอ้าง มีหลายอย่างหลายในพ่องเตียวไปเป็นหมู่พ่องนั่งอยู่เป็นจุมพ่องก่อซุมลักเก่าเสียดายหนอเต้าดวนคำงามนานำใจจ้าดังหยาดฝาลงมาทารุงโสผาวีลาดวันนาอาจเปิงเปล่า Ại, èn, ào, ái, องเป็นสาวขึ้นใหญ่ป้อยจักใดเฟื่อแฝงกับผี่แปงปูเท่าตัวกำเ้าเล่นลายเขี้ยงงาภายออกปากหนวดหลายหลากเป็นยุ่มขนกางสุ้มเป็นมัวต้องก่อสวดแอวเรื่องบ่อสมเปิงแนบคางมันได้สั่งสั่งจ้าบุญจริงมาจักจง ได้นัดน้องดวนคำหรือเป็นกรรมเจ้าถอยอันนั้งยอดซอยโสภาได้กระตา ม, มาจาดก่อนกรรมบ่ผ่อนให้หุนมาบันดลตอบทายได้คนผางไรเป็นผัวนันจ้า คนตั้งลายใหญ่น้อยไครกกาท้อยลายพักการต่างสำหรับฮมวลเล่นบ่อได้เว้นอันใดจ่อตุงใจควัดแกว่งไข่จู่แห่งอาณาตั้งจินป่าเข้าเรามีมากเต้าเต็มแดนตั้งข้าแตนเข้าแคบเข้าวนมแปบสูงงา ตังพาลาลูกไม่มีพ้อมไข่หลอันตัง้งหัวมันหัวเพือกตามใจเหลือกเอากินฝังพระผู้มินเต้าไทยดาปล่อยใหญ่เจ็ดวันคนเรืองนั้นศา้สา ส, าสาันันดาวอุญญาต่างสำรานจื่นสูุไข่จูผู้ยิ่งใจก็มีหันและนา สัยญาดีมารอเต้าเจ้ายอดปาระกะ้อคุณต่างตาแกวันใจดาแต่งไว้เร็วปันยังจุนจันก้ามากนำอ้อมหากนำหอมหากลายอ้อมนำมาหอมไห้ทาเพื่อหดลูกลารอมแป้งให้คำแดงอันใหญ่ือตั้งไว้กลางสนาม รินคำงามเข้ากายแวดด้วยไขคำไขาแล้วฮือราจจ่าญาธิดากินกูเขานั่งอยู่ภายในเจ้าหอใจวิเตหราชญาสะอาดหรือซาก็ไขรจ้าบอกกล่าวฮือจุมเต้าตั้งลาย ตั้งตาไปู่ป่ามาพร้อมนาหลวงลายยืนเรียงย้ายติดต่อเอาน้ำหอมลอรินคำฮือบุญนำหนอไทยฮดอาบไว้วรองค์น้ำไหลลงละลาดไหลบอกขาดเป็นสายนั่งคิ้งภายเว่นแก้วอาบไวแล้วกาญาน้ำไหลมาจ่าใจ เต็มหม้อใหญ่ให้คำนำหอมน้ำนักแก่ล่นลงแผ่ไหลลามตามสะนำตีไก่หอมทะลบไห้วิญญาณหอมดวงบานดอกไม้ผสลมใสจุนจันลมพัดผันปัดวาดหอมถึงอากาศไปบนจุมหมู่คนเท่าแก่บ่เวียนเวนิ่งใจ อันเป็นสายเผ่าเชื้อใจไฟเอื้อปีญาไลากันมาติดต่อเอาน้ำล่อรินคำก็มีหันและนะ <c oughs> โสปานาสุริยราชาส่วนพาญาสุรินญาตริทีอาจฤกัยยินวิจัยจื่นสวาจักอยู่ปิ่งแปง กับคำแดงหล่อเบางามบ่อเศร้าวนวลคำใดกะตำอาิเศกอติเรกทุนควันบ่อพัดพันวิทวางเรียงสมดังอ้างพาธนามันกอดาฝั่งฝ้าทารงเครื่องเต้าอลังการมุกดาหันไขยแก้ว เสื้อสอดเสลายดีอันใดมีบอกไว้ผ้าดับใส่จูอันอันตาจุนจันหมุนแป้งใส่สรอยแทงเป็นแป็งมันเยี่ยแลตัวเก่าว่างามแต่เหล่าตนกูนางบุญจูหันแล้วบอกกัดแก้วปีญญาหญิงนานาหน่อยใหญ่เตียงมักไฟตนกู กูบอจูแม่ห้างบอไฟอ้างไม้ยสาเต่าจักเป่ายอดซอยงามจืนจ้อยนวลคำกูได้คำไว้จอดจักนีรอดหรือมีเจ้าปุริสุรินญาต์การนิ่งขวาดเวิววนผาดตนบอดจ้าแล้วอยู่ทานยามดีก็มีฮันแลยนะ ส่วนนางห่อนเอาดวนคำบ่อนีกมแห่งป่อตุกปานป่อหอระไทยก้อยขัดสีไข่อับน้ำยาตีพัมหลวงลายมายืนย้ายติดต่อเอาน้ำล่อรินลงนางก้อยทรงเกดเก่าอย่าลืมเหล่าลายตีน้ำหอมมีบ่อขาดไหลลาลาดลงมา นางเคีองกากังแกนตุกหนีบแน่นเหลือลายเต่ากานิ่งหม้จ้าใจขอเตปาไทยภานีนำนางนีผากดาวป้นจากเต่าสุริญราชนางโซภาดอเนาตุกไม่เอามองขี ก้อยขาดสีอาบน้ำกึศใจพั่มตัวไปก็มีหันแหลนาตาตาในกาละนันไตยังมียักษ์ใหญ่ใจหันสันยองสารไวหวาดโดยอากาศเวหาป้อมเมฆคาเมฆฟ้า มันพอหลุมฝ้าปฐวีหันคนมีหลายแหล่จ่อตุงแหกวัดไกวจัดนับไปบ่นอนยหากหลายร้อยหลายพันกินจุนจันดอกไม้หอมแต่หลุมใตถึงบนสายลมจนปัดวาดขึ้นอากาศเวหากินกันทารถเรา หอมรอดเขาดังมันบันเรียวปันบ่อจ้าแฝงเมฆฟ้าลงมาก็หันซีโซภาผ่าเสิดงามลำเลิดนวลคำพงอาบดำเกดเกา่าคนแวดเฝ้าดวงลายมันก็ภายตาพอวางอ้ามแต่นอคนยิ่งปูนดีปิ้งไฟเอือ เอาแนบเนือ้อนอนในมันเร็วไว้บอดจ้าจอนจากฝาไปบนเอาส่องมือตอนอุ้มได้ยังแก้หนอไทยบุญมีและรีบนีไว้วาดขึ้นอากาศบัดเดียวสัญยองเร็วดวนหาวไปสู่ดาวแดนมันก็มีหันแลยนะ อันว่าคนตั้งหลายนุมเทาอยู่แวดเฝ้าใ ย, ยายตกใจลายซาลังอกแกนกังง่านผีต่างเล่นหนีฟังเฝ้าร้องเอิญเป่าเนืองนั้นว่ายอยากดงตันเพจกาอุ้มนางแ่นฟ้านีไฟคนลำไหลหลังนูเล่นสะสู่สะสน โอละหุอันใหญ่เกิดขึ้นไข่วิญญาณส่วนคุณใจหานปีเก้าคือว่าเจ้าพี่มาเสนาและพันยาสุรินยราชโคดเท้าหาดป่านไฟสัญญองตวยไปบ่อจ้าบ่อล้ำกว่าปันวา ก็ตกมาตีเก่าสัยองเล่าลายปางก็ใจจางหิวหอดจริงยังจอดเสา้าแรงใจยังแข็งโคตรกาบ่าอาจกว่าตัวไปคุณใจไฟตั้งกูหลวดนั่งงมอยูไ่ได้ได้ก็มีหันแตะนา ตามาทังปกาเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาสัพปัญญูเอด้อยหันบาทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสานาวาตาตาสั ก, กเลวิญญาเนดังนี้เป็นตนพิกาเวดุราพิกุตั้งลายอันเป็นทายอริญาเจ้า ทุกคมเจ้าภาวนาสวนยักขาป่าไม่มาอุม้มใดป่าไปยังสีนงไว้น้อยนาดวันนาวิลาศนวนคำอันพงดำเกตเก่าคัดสีเล่ากาญาญาตาและมียามใดดังอัน ตาตาในากาละนั้นอันบากโกละหุนเกิดกองเกิดไข่ห้องอุยยานสุขสำรานก่อนกี้ก็อนลีกลีกับหายหุนตั้งหลายมวนหมกาอันอยู่อุยยานคือเต้าผู้บ้านตนป้อนางแก้วนอมันดาพิมะเสนาพิเบา ตั้งเท่าเท่าตาหน้ยเสนาลายอามาดพาจราตคนในต่างอาไยร้รองให้เสียได้แก้วแก่นไทยนวลคำ ต, าต้าตัวดำสุริยราชและอุปราชพิมะเสนต่างโกธาโคดกาสยองขึ้นฟ้าบัดเดียวร้องเกี่ยวเกี่ยวต่อ ต, อตา หอื้อยา ก, กามาฟันยักษ์บ่อพันปอกไววบอตอบทายจะเรวพับตาเดียวหนี่กว่าอยู่กอบฟ้าสุดตาพิมะเสนาภูพิีนาบอกกีมองผ่านบออาสานลาไลยใดดังตังเตาตาไทยมีทิลาคือผ่าญาสุริญยาราชก็บอกอาตวยตัน จิงเอากันปอกเตาลงตีเก่าปฐาวีโกทามีแกนกั้งก็รีบทางไปบนขึ้นสู่หนอากาศสูงขนาดปันวาก็ลงมาตีเก่าสัญงลืมเล่าหายหนขึ้นไปบนอากาศก็อบ่อาจจากซ า, านยักพีมานอยาบจ้า ก, ก่อนลับป่าหายไป เจ้าเวียงใจจูผู้อันไดหู้และหันต่างเอากันร้องให้บ่เว้นไหวคนได้ก็มีหันและนาสว่วนพระยาวิเตหราชและนางนาเตวีตุกบองขีทางคอนบ่หูพนบางเบาเป็นดังเอาด้อยใหญ่ มาเต่งใส่อกตนใจเวิ้นกับนีภายใจตีเป็นข้าวหายใจยาวเป็นเตื้อตัวเป็นเหือไขา ย, ย่างเหุเสียได้นังโลกแกวเล่าเลิศแล้วคิงพายกอบป้าคนลายมวลหมู่ปอกเข้าสู่เวียงใจ จุมคนในอาาตพาจาาดเสนาไัยบอ่อจากเก่าเต่าดักอยู่ไผมันเสียงเรื่องนั้นหายขาดเสียงเปีย ป, ปาดโมหรีโมหราสบีจูอยางกอปะวังเย็นพ้อยลมบอ่อจ้อยหยอดไม้สั ง, งัดไขยเวียงใจตุงบอ่อไควปัดวาดจังแก้วอาจลวงลาย บ่อผ่านภายร่องแซนมาบ่อเล่นซาสนจุ่มหมูขนนมเท่าต่างโศกเศร้ามองขีค้งปุรีใหญ่กว้างดักเมืองห่างดังเมืองห่างเย็น v อยแลน่าส่วนพญาสุรินยราชใดกาการเสียนางมือกำกางตัวเก่านั่งจดเบาเงามองตุ๊กทมทองทางคน ว่าบูร้อนปานไฟความสุขใจก่อนกี่ก่อนรับลีน่หายบ่อสมมมยไฟอ้างเป็นปอหัางขันตำบ่อสมกรมเกิดว้บ่อได้ไก่ดงค้านกรมาปานจุจอดเสียยังยอดนารี บุญบ่มีจาดแล้วจริงกาดแก้วอเสียนางอืดอืข้างสะสูนั่งดักอยู่เดียวได้ยินละไอพวกน้อยตั้งข้าคอยเสยนาตั้งพระจา้าไพฟฟาจักพอ่อนาเตียนควันจักปะกันยอดใหญ่พับเสียงไข่ปุรีกวรกูดียาจา้า ปีบอายนาะเมื่อเมืองืหอหายเครื่องมนเศร้าแม่ น, มนบุนเก่ามาตั้เตียงได้หันวันนาะบ่เ่ินจ้าหึงนานตาโอภูบาลสุรินญาตคกานิ่งขวาดนานาขึ้นไปมาทวนทีบ่มีตีสุดปลายตุกบ่าหายเือดแทงซ้ำเติมแงทงทมนาะ กทุนสาอภิวตาตลาเตวิเตหาราชผูบานแล้วยกรีปนหันวนหมูอม่อหวาหยนาสูเมืองตน <c oughs> อันอยู่หนแห่งห้องคงเขตต้องวิธีลาก็มีวันนั้นแหละนาะ เนติตังขีณาสังวันนาวีเศรษฐาห้องเหตนาดวนคำผูกทวนแปดก็บังคมสม็จเสร็จแล้วตานนี้ก่อนแลว